ยี่สิบปดลัคนาทิจตุกะวงเล็บเปิดสิบห้ามกราคมสองพันห้าอห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบแปดวงเล็บปิดการที่เราหัดดูสภาวะธรรมเบื้องแรกเราจะเห็นตัวสภาวะก่อนยังไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรหรอกเราเห็นตัวสภาวะเช่นมันมีอะไรพุ่งขึ้นมาร้อนร้อนพุ่งขึ้นมาแล้วใจเรากระวนกระวายขึ้นมาเห็นอย่างนี้ ต่อไปเรารู้ว่านี่เรียกว่าโทสะมันจะรู้สมมติโทสะผุดขึ้นมาเห็นเลยโทสะหน้าตาเป็นอย่างนี้เองโทสะทำงานขึ้นมาทำแล้วเกิดผลอย่างนี้เริ่มเห็นอย่างนี้แต่พอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบเข้ามันจะรู้เหตุของมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ตาราเรียกว่าลัคณาที่จตุ ก, กะแปลว่าองศ์ มีองค์สี่มีลักษณะเป็นเบื้องต้นลัคณาที่จตุ ก, กะคือมันมีลักษณะอย่างไรมันมีกิจอย่างไรมันทำกิจแล้วทำหน้าที่ของมันแล้วมีผลอย่างไรจะเห็นเป็นลำดับไปต่อไปเห็นมากๆจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดรวมเป็นสี่อันตัวมันเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรตัวมันทาหน้าที่อะไรทาหน้าที่แล้วเกิดผลอะไรสุดท้ายจะไปเห็นว่าตัวมันเกิดมาจากอะไร พอเห็นว่าตัวมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเป็นอากุศลจะไม่เกิดแล้วหรือบางครั้งเราภาวนาไปหรือเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่มันรู้เหตุขึ้นมาว่าอ๋อนี่มีกรรมมาจากอันนี้พอรู้แจ้งอย่างนี้นะต่อไปโรคนั้นหายเลยอันนี้โรคที่เกิดจากกรรมนะถ้าโรคเกิดจากอาหารเช่นกินยาพิษเข้าไปแล้วไปนั่งพิจารณาตายแงแงเลย หรือเกิดจากอากาศสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจนมนุษย์อยู่ไม่ไหวแล้วอย่างนี้พิจารณาอย่างไรก็ตายถ้าเรารู้เหตุมันเมื่อใดคล้ายๆรู้แจ้งมันแล้วจะเข้าใจมันแจ่มแจ้งลักษณะของสภาวะตัวนั้นมันจะเข้าใจแจ้งแต่ว่าไม่ต้องค้นคว้าเยอะ